รู้จักโยมคนหนึ่งนะชื่อประเวศอายุก็ไล่ๆกับอาตมมาคุณประเวศีะเป็นคนที่ศรัทธานในพุทธศาสนามากแล้วก็ไฝ่ในการทำบุญและการทำบุญที่คุณประเวศ ท, ทำมาตลอดสิบกว่าปีเนี่ยซึ่งหาคนทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้นะก็คือการอุปถัมภ์พระแล้วก็แม่ชีชาวต่างชาติ โดยเนเรื่องการรับส่งเพราะว่าเวลาพระหรือแม่ชีชาวต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยก็ดีมากรุงเทพก็ดีก็จะมีปัญหาเรื่องอการรับการส่งไปไม่ถูกว่าจะไปไหนคุณพระเวก็รับอาสานะีมารับพระหรือแม่ชีจากต่างประเทศ บางทีก็ไปรับที่ดอนเมืองบางทีสวนพู่มบ้างแล้วก็พาไปสำนักที่เข า, าเกื้อกูลต่อพาไิสู่ส่งแล้วก็ม่ฉีบางทีพระต่างชาติจะมากรุงเทพท่านก็คุณประเป้ก็ช่วยขับรถมารับ้วไปส่ง พระชาต่างชาติในที่สุขโตนี่ก็หลายท่านนะไดอรับความเ อ, อื้จากคุณประเวศเช่นท่านอุปสรรต่างตอนที่ท่านอุปสรรต์มาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนไม่รู้จักใครเลยนะแต่มีคนแนะนําว่าให้ติดต่อคุณประเวชคุณประเวชก็มารับนะที่สนามบินแล้วตกลังก็พามาส่งที่สุขโต เวลาธนุกสันตานะจะเข้าวรุงเทพเนีบางทีคุณพระเบ๊ก็ขับรถมารับเลยมารับที่นี่แล้วก็พาเข้าวรุงเทพไปโรงพยาบาลบ้งหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยราชการบ้างถึงเวลาจะกลับคุณพระเบ๊ก็ขับรถพามาส่งอาจตมาเคยได้รับบริการจา ก, จากคุณพระเบ๊กนะพาม มารับมาส่งช่วงที่โควิดระบาดรอาการสัญจรด้วยเครื่องบินด้วยรถทัวร์มันไม่สะดวกมีความเสี่ยงแล้วคุณประเวทเนี่ยเ ม, เมื่อเมื่อเนี้ก็เล่าว่าไปรับพระชาวเยอรมันซึ่งเดินทางจากภูเก็ตนะมาลงดอนเมือง แล้วก็วันรุ่งึ้นก็จะต่อไปไต้หวันคือผรเ้เังไม่รู้จักพระรูปนี้หรอกนะแต่ว่ามีคนติดต่อก็เลยไปรับที่ดอนเมืองก็ได้มีการสนทนาพูดคุยกันก็ทราบว่าพระชาวเยอรมันท่านนี้ซึ่งอายุ42อปีบวชมาแล้พรรษาก็อยู่ในสำนักของ พระป่าสายธรรมยุทธในเยอรม์นเนี่ยท่านก็เล่าว่าเนี่ยตั้งแต่บวชมาใหม่ๆเลยนะครูบาอาจารย์ก็พาทุ ด, ดงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับชาวเยอรมั น, นซึ่งเพิ่งมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกข้อปราอาหารก็ไม่คุ้นเคย การทุ ด, ดงก็เป็นเรื่องที่อย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยก็รู้สึกลำบากแต่ล้วครูบาอาจารย์ก็พาท่านทุ ด, ดงเป็นประจำจนกระทั่งท่านเห็นคุณค่าของการทุ ด, ดงต่อหลังก็ทุ ด, ดงเองเลยนะหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนชาวต่างชาติ มีทั้งทุดงในเมืองไทยเนี่ยจากเหนือจดใต้หรือว่าทุดงตามชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีป่าเขาหนานน่นถ้ามีคารยังก็หลงเข้าไปในเขตพมา่าซึ่งมันก็มีเขตมันก็มีการสู้รบกันมันก็มีความวาดระแวงกันมากทหาพรพม่า ก, ก็มาจับตัวท่านไป จะว่าพอรู้ว่าเป็นพระที่บวชในเมืองไทยเขาก็พามาส่งที่ชายแดนคลวาบอกว่าเนี่ยการมาทุ ด, ดงการไปทุ ด, ดงเนี่ยนะมันก็ทั้งที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรฉันแล้วก็จะมีฉันหรือไม่ฉันพอรือเปล่าแต่ว่ามันก็ ให้บทเรียนที่ดีได้ฝึกที่จะอยู่กับความยากลำบากรวมทั้งได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากคนหรือที่เกิดจากสิงส่งสาราสัตว์ไอ้ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันก็สอนท่าน ให้ไม่ใช่เพียงแต่มีความอดทนแต่ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดในความสะดวกสบายรวมทั้งให้รู้จักวางใจรับมือนะกับความกลัวหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เฉพาะความยากลาบากจากภายนอก ในสิ่งห่งที่ท่านประทับใจนะซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับพระชาวต่างชาติที่มาบุญเมืองไทยคือว่าเมืองไทยเนี่ยนะเหมือนกับเป็นแดนสวรรค์เลยนะสำหรับชาวพุทธหรือสำหรับพระชาวต่างชาติเพราะว่าคนไทยมีน้ําองน้าใจมากมีความช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อโดยพอเห็นว่าเมื่อเห็นพระนี่ก็พร้อมจะอุปถัมภ์ดูแลเวลา เดินทุดงไปไหนหรือไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะไม่มีอะไรคบฉันญาติโยมเนี่ยที่รู้เนี่ยก็จะมาเอาอาหารมาถวายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ ว, ว่าจะเจอความยากลำบากอย่างไรนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็รู้ว่าหือแน่ใจว่าจะมีอาหารคบฉัน รมทั้งมีที่พักแต่ท่านก็ออกคิดว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะเรียนรู้นะก็คือว่าเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนบ้างเพราะว่าอยู่เมืองไทยแม้จะทุดงนะตามป่าเขาแต่ว่ามันก็ยังมีความสะดวกสบายมีความมั่นใจนะว่าญาติโยมนี่จ อุปถากดูแลก็เลยอยากจะไปเรียนรู้กับการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนบ้างก็เลยอยากจะไปทุดงหรือว่าไปจาริกในประเทศที่เป็นนับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพุทธศาสนาแบบเทรวาทท่านบอกเคยจาริกทุดงไปในที่ประเทศบ้านเกิดคือเยอรมัน แต่ตอนนี้ก็อยากจะจ่าลิฟทูดงไปยังประเทศที่นับถือพุทธแต่เป็นผาญยานก็เลยเลือกที่จะไปไต้หวันคุณเว้ก็เลยถามว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อบินไปไต้หวันเนี่ยมีใครมารับหรือเปล่าบอกไม่มีอ่ะไม่รู้จักใครเลยที่นั่นเอาแล้วทำไงอ่ก็พอถึงสนามบินก็เริ่มจาาลิฟทุดงเลยไม่รู้จักใครก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าจะได้เจอความไม่แน่นอนม้งแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมที่ว่าไม่มีอะไรที่จีรังยัง่งยืนหรือแน่นอนเลยไม่รู้ว่าจะได้มีหารขบชันหรือเปล่าแล้วก็เคร่งนะไปต่างประเทศนี่ไม่ได้พกเงินไปเลยเพราะไม่มีพวกเครดิต ก, การอะไรทั้งสิน้นไปไต้หวันนี่ไม่รู้จักใครไม่มีใครมารับแล้วก็ไม่พกเงิน นะเรียกว่าไปตายดับหน้าแท้ๆเลยเรียกว่าต้องการไ ป, ปรเผชิญความไม่น่อยนอนถ้าว่าอยู่เมืองไทยมันสบายขนาดท่านใช้ชีวิตแบบพาพป่านะเมืองไทยมันสบายอยากจะไปเจอกับความไม่สบายความไม่สะดวกบ้างเมืองไทยเนี่ยมันมีความแน่นอนหลายอย่างแต่ว่าไต้หวันเนี่ยไม่รู้เลยนะว่า จะมีอะไรกินหรือเปล่าในวันนี้นะแต่ว่าก็นี่แหละเป็นบทเรียนนะที่จะฝึกจิตฝึกใจเออได้ฟังแล้วก็ได้ฟังที่ท่านเล่าก็น่านับถือนะคือท่านเข้าใจนะจุดมุ่มงหมายของการบวชเนี่ยคือเพื่อฝึกฝนตนการฝึกฝนตนเนี่ยนะมันก็ คือการที่ส่วนก็คือนอกจากการรู้จักเผชิญความยากลาบากแล้วยังรวมไปถึงการที่พร้อมจะออกจากที่ที่มันสะดวกสบายออกจากที่ที่มันมีความแน่นอนไปสู่ที่ที่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสะดวกสบายหรือเปล่าเรียกว่าเป็นการเข้าหาทุกเลยนะ ไอ้แค่การเผชิญกับทุกข์ที่มีอยู่นะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่พอสามารถที่จะพบกับความสุขสบายแล้วก็ยังอยากจะไปเรียนรู้เผชิญกับความทุกข์ข้างหน้าอันนี้แสดงว่าเป้าหมายเนี่ยของท่านอชัดเจนนะ คือการบวชก็ดีหรือการมีชีวิตก็ดีคือเพื่อฝึกฝนตนคนเราจะฝึกฝนตนได้ก็ต้องเจอกับความ้าลําบากเจออุปสรรคนะเพราะสิ่งที่มันจะให้บทเรียนนะรวมทั้งสอนจิตสอนใจคนจำไม่น้อยเนี่ยมีชีวิตเนี่ยเพื่อปลนเปลืตนอันนี้เป็นวิสัยของชาวโลกเลยนะชาวโลกเนี่ยมีชีวิตเนี่ยก็เพื่อปลนเปลืตน ไปที่ไหนก็อยากจะหาสิ่งปลนเปิดตนเพราะอะไรนะเพราะว่าต้องการความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามแสวงหาอะไรก็ตามมาปลนเปิดตนอาจจะเริ่มจากสิ่งจับหยาบเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะ ที่อยู่ที่มันสะดวกสบายอากาศที่เย็นสบายอันนี้เรียกว่าปลนเปลือกตนด้วยกามคุณ5แต่ว่าคนที่มีปัญญาหน่อยนะก็จะพบว่าการปลนเปลืด้วยการบคุณหนี่มันมีแต่จะทําทให้ชีวิตมีความทุกข์เนี่ย อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะมันก็สุขชั่วคราวนะแต่ว่าทำให้เกิดทุกข์ยาวนานก็เข้าหาสิ่งอื่นที่มันประณีต ก, กว่าแต่ว่าก็วัตถุประสงค์ก็คล้ายๆกันคือเพื่อความสบายปนเปื้ตนสหรับบางคนก็คือการไปหาที่ที่มันสบายที่ที่มันสะดวกถึงแม้ว่าจะไม่มี กามคุณห้าที่พรั่งพร้อมแต่ว่าก็อยากจะได้ความสะดวกสบายอันที่ดีหน่อยคือหาความสงบไปอยู่ในเตีงที่ที่มันสงบนะแต่ทั้งหมดนี้มันจะว่าไปมันก็เป็นการปลนเปลือยตนอย่างหนึ่งนะเพราะว่าจุดหมายคือเพื่อความสบายอันนี้พอ มีอะไรที่มันทําให้เกิดความไม่สะดวกไม่สบายขึ้นมาหรือเกิดความยากลำบากขึ้นมาก็จะ เ, เกิดความทุกข์นะเพราะว่าติดในความสบายก็จะพยายามขจัดสิ่งเหล่า น, นั้นออกไปอะไรที่ไม่ถูกใจก็อยากจะจัดการให้มันหายไปจากชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ อันนี้เป็นวิสัยของชาวโลกนะต้องการสแสวงหาสิ่งที่ถูกใจเพราะชีวิตเนี่ยมุ่งที่การปลนเปลือยต น, อนแต่ว่าสําหรับผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเมื่อฝึกฝนตนนี่หมายความว่าพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความยากลาบากเวลาเจอความยากลาบากนะเจอคนสัตว์สิ่งของที่ไม่ถูกใจ ก็ไม่โวยวายไม่ตีโวยตีพายนะแทนที่จะมุ่งขจัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากชีวิตหรือให้มันพ้นหูพ้นตาก็กลับมองว่าเออเราจะอาศัยมันเนี่ยมาช่วยในการฝึกฝนตนได้อย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกใจไม่ให้ทุกข์เมื่อเผชิญสิ่งนั้น หรือสามารถอยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนนะลมหนาวผู้คนที่ไม่น่ารักอาหารที่ไม่อร่อยไม่ถูกใจนะหรืองานการที่มากมายแลนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมารวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจผู้คนที่ปรารถนาความสะดวกสบายผู้ที่ปรารถนา การปลนเปลืตนเนี่ยก็จะพยายามที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ให้หมดไปจากชีวิตนะแต่ว่าผู้ที่เน้นเรื่องการฝึกฝนตนเนี่ยนอกจากจะฝึกใจให้อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์แล้วยังมุ่งที่จะหาประโยชน์จากมันด้วยคืออสายความทุกข์กัยความยากลำบากเนี่ยมา เป็นเครื่องฝึกนะให้เห็นความจริงว่าออสัจธรรมความจริงเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยเวลารู้สึกว่าอยู่ที่ใดที่เคยยากลำบากแต่พออยู่ไปอยู่ไปจนทั้งปรับตัวได้กลายเป็นสบายแล้ว <c oughs> ก็จะไม่พอใจเท่านี้แต่ว่ายังคิดต่อไปว่าเออ เราจะเดินหน้าหรือจะเข้าไปหาความทุกข์ได้อย่างไรเพื่อความทุกข์เนี่มาสอนตนให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยใจที่ไม่ทุกข์หรือว่าใช้ความทุกข์นั่นแหละนะมันมาสอนใจอย่างเช่นคนที่เจอความเจ็บความป่วยอาทิตย์แรกก็อยู่กับความป่วยทางกายได้โดยใจที่ไม่ทุกข์ แต่ต่อมาเนี่ยก็รู้จักหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยคือเรียนรู้ว่าความเจ็บป่วยเ้าสอนอะไรอย่างที่อาจารย์เพืท่าบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะในสังขารให้เห็นว่าสังขารคือตัวทุกข์ยึดมั่นถือมันกับมันไม่ได้หรือว่าให้เห็นว่าเนี่ยสังขารไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลย อันนี้คือการขยเบนะจากการที่อยู่กับความเจ็บป่วยด้วยใจที่ไม่ทุกมาเป็นการหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยให้มันสอนทำอย่างที่หลวงพ่อกเขียนพูดนะตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกพอโรคมะเร็งเนี้ยอยู่โรงพยบาบาลนี่นานทีเดียวนะท่านก็บอกว่าเนี้ยอยู่โรงพยบาบาลเนี้ยสบายเลยนะมีคนทําทุกอย่างให้หมดเลยนอนมีแต่นอนอยู่บนเตียงที่เหลือมีคนทําให้หมดเลย เราท่านบอกไม่ต้องทำอะไรนะก็แค่ให้แค่ดูนะไตลักมันโชว์ให้เราเห็นไนะตลักเนี่ยคือนิจังทุกขาน้าตา ม, มันโชว์ให้เราเห็นไม่ต้องทําอะไรแค่ดนะูสังขารมันแสดงไตลักให้เราเห็นอันนี้ก็เลยาหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยนะครับประโยชน์จากความทุกข์เพราะฉะนั้นในยามที่ชีวิตเนี่ยมันสบายแล้วก็จะไม่พอใจเท่านั้นนะแต่ว่า ขยับนะไปหาความทุกข์เพื่อที่จะให้ความทุกข์เนี่ยสอนจิตใจอันนี้เป็นวิสัยของผู้ใฝ่ธรรมนะคือมุ่งฝึกฝนต น, นเวลาเดินธรรมญถาตานี่นะหลายคนก็สงสัยนะถามว่าทําไมต้องทําให้มันยากลําบากทําไมไม่ขับรถนั่งรถไปตามหมู่บ้านต่างๆทําไมต้องเดินนะเหตุผลนึงก็คือการเดินเนี่ยมันก็เป็นการ พาเราเข้าสู่ความยากลำบากนั่งรถมันสบายในสมัยนี้คนเราก็เชิดชูวความสบายก็ไม่เห็นประโยชน์ของความยากลำบากแต่จริงความยากลำบากมันสอนเราสอนเราให้ไม่เพียงแต่มีความอดทนให้รู้จักอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เห็นคุณค่าของร่มเงาเวลาแดดมันแรงเวลานั่งรถนี้ไม่เห็นคุณค่าของร่มเงาจากต้นไม้แต่เวลาเดินด้วยทามันจะ ทราบซึงใจมากเลยนะเวลาเห็นเงารวมเงาต้นไม้นิ้วจะรักต้นไม้ขึ้นมากเลยหรือช่วยทําให้ฝึกให้อยู่ง่ายกินง่ายแต่บางคนคิดว่าเอ้ยมันต้องยากลําบากกว่านั้นแทนที่จะเดินด้วยรองเท้าก็ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าแทนที่จะหาอะไรคลุมหัวก็ไม่ต้องมีอะไรคลุมหัวอันนี้ไม่ใช่เพื่อทรมานตนนะแต่เพื่อที่จะ เรียนรู้ว่าเวลาเท้าเนี่ยเหยียบหินเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความเจ็บหรือเพราะความร้อนอทํำยังไงนะใจจึงไม่ทุกไปกับกายหรือเวลาหัวโดนแดดเผาทํำยังไงเนี่ยมันจะร้อนแต่กายแต่ใจสงบเย็นก็ใช้ความทุกข์นั้ย น, นะเป็นโอกาสในการฝึกฝนตนสําหรับคนที่มุ่งผลเปิดตนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะทำไมต้องมาทําอย่างนั้น แต่สชาวคนที่ชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเนี่ยก็จะเดินหน้าเข้าหาความยากลําบากเดินหน้าเข้าหาความทุกข์อันนี้นเป็นความแตกต่างนะวิสัยชาวโลกเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องการปลนเปลือยตนนะมีอะไรที่ไม่ถูกใจก็พยายามกําจัดออกไปผลักไสให้มันออกไปอย่างห่างๆไม่ให้เรียกว่าให้พ้นหูพ้นตาใครทําตัวไม่น่ารักก็ ต้องการผักสายออกไปนะแดดร้อนก็จัดการนะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นลมที่เย็นสบายหลายคนเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยบางทีก็แม้จะมามาบวชแล้วก็ตามเนี่ยแต่บางทีก็ยังคิดแบบคารวานะคือพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็อยากจะผักสายออกไป แต่เดกก็บนววยวายตีโพตีพายไม่พอใจนะอันนี้เพราะมาด้วยใจที่มาด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการปลนเปิดตนเพียงแต่ว่าแทนที่จะปลนเปิดต น, นด้วยการมาคุณนะก็ปลนเปิดตนด้วยความสงบความสบายนะพออะไรที่มันทำให้ใจไม่สงบอะไรที่มันทำให้ไม่สบายก็ไม่พอใจนะแล้วก็พยายามที่จะจัดการ หรือว่าผักสายมันออกไปแต่ถ้ามาวัดเนี่ยพราะต้องการฝึกฝนตนนะมันจะมีท่าทีหรือความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคือไม่บน่นไม่โวยวายถือว่าเขามาเพื่อฝึกฝนเราเข้ามาเพื่อสอนเราให้อยู่กับให้เรียนรู้ที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้อย่างไรแนมะ้จะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ กาที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปก็หันมาเน้นที่การปรับใจให้ถูกต้องนะอย่างที่พูดเมื่อ2วันก่อนในการที่คนเราเนี่จะทำให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกใจมีผู้คนทุกคนรอบตัวเราที่ถูกใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ชั่วครู่ชั่วยยามนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเป็นไปได้นานแต่ว่าวิสัยชาเโล ก, ก็ต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป อะไรที่ไม่ถูกใจก็กาจัดออกไปนี่ไม่เป็นคนศัตว์สิ่งของเหตุการณ์แต่ว่าคนที่มุ่งฝึกฝนตนเนี่ยเขาจะเรียนรู้นะที่จะปรับใจตัวให้ถูกต้องไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ถูกใจแต่มุ่งปรับใจใถูกต้องถูกต้องคืออะไรก็คือว่าใจเป็นปกติไม่ ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่โกรธไม่เครียดไม่เกลียดนะไม่รู้สึกเป็นลบซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแล้วพอฝึกไปฝึกไปมันก็ทําได้นะสิ่งที่ไม่ถูกใจแม้จะมีอยู่รอบตัวแต่ว่าก็สามารถปรับใจให้ถูกต้องก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นเนี่ยพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจอยู่รอบตัวเนี่ยก็ ไม่ได้โวนโบนเว่ยไ ว, ว, ว, วตีโพยตีภายนะแต่ว่าเรียนรู้ที่อยู่กับมันทีแรกเพื่อฝึกใจไม่ให้ทุกข์เพื่อปรับใจใถูกต้องต่อไปก็หาประโยชน์จากมันเนาะเอามาเป็นเครื่องสอนใจให้เห็นว่าให้เข้าใจสัจธรรมความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริงต่อไปเนี่ยถึงเวลาที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญ สติทำสมาธิหรือทำกรรมฐานเนี่ยก็ไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้องมีความคิดหรืออารมณ์ที่ถูกใจเกิดขึ้นมันจะมีความฟุง้งมันจะมีความกลัวมันจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้พิทัด์ดขัดเครืองแต่ว่าเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างไรด้วยใจที่ไม่ทุกหรือใช้มันมาสอนใจคือฝึกใจให้รู้จักรู้ซื่อๆรู้เฉยๆ มันจะมามากมายเพียงใดก็เราก็แค่รู้เฉยๆคือวางใจเป็นกลางไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าวุวายหรือหงุดหงิดเสียใจว่าทำไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินทำไมมันมีความคิดลบเยอะเหลือเกินอยากจะกำจัดความคิดเหล่านั้นออกไปอันนี้ก็แสดงว่ายัางยังอยู่ในความคิดที่จะปฏิบัติเพื่อปลนเปิดตนด้วยความคิดและอารมณ์ที่น่าพึงพอใจหรือที่ถูกใจ แต่คนที่มู้ฝึกฝนตนนี้เขาจะไม่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์หรืออารมณ์ความคิดเหล่านั้นเลยเพราะมองว่ามันมาฝึกเราอย่างที่หลวงพ่อเฉยท่านบอกว่าเนี่ยคิดมากก็ก็ดีนะเพราะคิดมากก็ทําให้รู้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดก็คือหมายความว่ายิ่งฟุ้งซ่านก็ยิ่งรู้ตัวรู้ทันความคิดมากขึ้นนี่เราเราลงทีเราก็ต้องถามตัวเองนะว่า ให้เรามาวัดเนี่ยเพื่อฝึกฝนตนหรือเพื่อปลนเปิดตนนะถึงแม้เราจะไม่ไปลนเปิดตนด้วยการมาคุณห้ารู้ลดกินเสียงที่น่าพอใจเราแต่เราอาจจะอยากจะปลนเปิดตนด้วยความสะดวกความสบายความสงบพออะไรที่มันไม่สงบพออะไรที่มันไม่ถูกใจก็ทุรทัดขัดเคืองนะไม่พอใจมีความโกรธเคืองขึ้นมาอันนี้เรียวกว่าก็ยังอยู่ใน ในวิสัยหรือในวิธีการคิดแบบชาวโลกนะเพราะว่าพอคิดแบบนี้เข้าลือรู้สึกแบบนี้เข้ามันก็คิดแต่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปจากชีวิตให้มันพ้นหูพ้นตาเราแต่ผู้ที่มุ่งฝึกฝนตนเนี่ยก็จะไม่บ่นไม่โวยวายอะไรที่ไม่สงบอะไรที่มันหาความแน่นอนไม่ได้กลับมองว่าเป็นดีนะเหมือนคบ พระเยะรมมันเนี่ยที่เห็นว่า้มาเมืองไทยมันสบายแล้วต้องไปที่อื่นที่มันลำบากมั้งต้องไปหาที่ที่มันยากลำบากที่ที่มันไม่แน่ไม่นอนที่มันทำให้พี่ตกกังวลเพราะนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนตนได้อย่างดี